คือกรรมฐานนะเราเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเราเองใครเคยฝึกมาแบบไหนเนี่ยถ้าเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วนะสามารถเอามาต่อยอดได้คนไหนเคยหัดพุดโทโธพุโทโธเป็นความคิดของเรานะใจเป็นคนคิดพุดโทโธจริงๆก็คือใจของเราเนั่นเองหัดพุดโทโธก็คือหัดดูใจบางคนรู้ลมหายใจนี่ก็เรื่องร่างกาย บางคนรู้ท้องผ่องยุบนะเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าอันนี้ก็รู้กายบางคนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะก็เรื่องกายบางคนดูจิตอย่างหลวงปู่ดูลสอนดูจิตครูบาอาจารย์หลายองค์สอนดูจิตนี่ก็เรื่องจิตบางคนสอนให้ดูเวทนาเวทนาอย่างสายท่านโกยนก้าดูเวทนาอะไรก็ได้นะเบื้องต้น สายลงพ่อเตียนสอนขยับมือทำจังหวะขยับมือแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับขยับเพื่อจะรู้สึกตัวเงั้นเบื้องต้นอะไรก็ได้เคยทำาไงก็ทำไปก่อนแล้วค่อยๆฟังเพิ่มเติมเคยพุดโทก็พูดโทไปเคยหายใจรู้ลมหายใจก็หายใจไปเคยรู้ท้องพองยุบก็รู้ไปนะเคยเดินจงกลมก็เดินไป เคยรู้อิวิยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปแต่สิ่งที่เราต้องเติมลงไปก็คือรู้ยังไงเป็นรู้ที่ถูกต้องส่วนใหญ่พวกเราจะชอบเพ่งเวลารู้ลมหายใจเราก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องเราก็เพ่งท้องรู้เท้าเราก็เพ่งเท้ารู้มือเราก็เพ่งมือรู้ความรู้สึกเช่นดูเวทนาก็ไปเพ่งเวทนาว่าทํำยังไงมันจะดับน ดูจิตก็ไปเพ่งจิตอีกนะไม่ใช่ว่าดูจิตจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะจิตบางดวงเอาไว้ทำสมถะจิตที่ไปรู้ความว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรเนี่ยจิตคู่นี้เอาไว้ทำสมถะทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะคู่นี้จิตดวงอื่นๆให้เราตามดูลงไปวพอจิตว่างๆกับจิตไม่มีอะไรเราจะเพ่งง่ายต่อการเพ่งเป็นสมถะ นั้นเราก็รู้นะหายใจออกหายใจเข้าไปรู้สึกตัวไปอย่าใจลอยดูท้องพองยุบก็ดูไปเรื่อยๆอย่าใจลอยอย่านีไปที่อื่นอย่าลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วทางที่ดีนะอันนี้ต่างกับที่อาจารย์สอนนิดหน่อยไม่ต้องท่องก็ได้ว่าพองหรือยุบแล้วตอนที่เราท่องพองกับยุบเลยเนี่ยจิตมันจะตกอย่างวิปัสสนาละตอนนั้นเป็นจิตมันปนด้วยความคิดแล้ว จิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นคนละดวงกันจิตที่รู้เกิดขึ้นจิตก็ไม่คิดจิตที่คิดเกิดขึ้นจิตก็ไม่รู้เบื้องต้นอาจารย์บางท่านสอนให้รู้ให้บริกรรมเข้าไปก่อนว่าพองว่ายุบว่ากโกรธว่าโลภอะไรก็ว่าไปนั่นเป็นอุบายเบื้องตน้นเพื่อให้เราหัดจำสภาวะจำสภาวะได้ว่าที่รูปมันพองนี่รูปมันยุบไม่ใช่เราพองไม่ใช่เรายุบหัดรู้สภาวะ ถ้ามวัวแต่คิดเอาว่านี้พองนี่ยุบนะจิตจะตกอยากวิปัสสนามันลืมรู้สภาวะงั ใ, ใครเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําไปนะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันด้วยนะอย่าเผลอใจลอยไปที่อื่นแล้วอย่าไปเพ่งเอาไว้ถ้าเผลอใจลอยไปเช่นสายลงพระเทียนขยับมือขยับไปหนะ้าแล้วก็ไปคิดเอาเอ๊ะท่านี้เราเดี๋ยวจะไปท่านไหนนี่ยออกมาท่านี้ท่าไหนายอยีกเนี่ท่านี้นี่คิดเรื่องมือ เลยคิดเรื่องอื่นเลยขยับมือไปอื้ออีนางนี่มันโกงแชร์ยึดตบให้นะขยับขยับมันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะนะขยับแล้วก็อย่าลงไปคิดนะขยับแล้วก็คอยรู้สึกนะดูท้องผองยุบก็ดูไปอย่ามัวหลงไปคิดเรื่องผองเรื่องยุบอย่ามัวหลงไปคิดเรื่องอื่นจนะนะดูเวทนาก็ดูไปนะ อย่าหมดแต่คิดว่าโอ้โหนี่มันเป็นความเจ็บความปวดเนี่ยคิดเรื่องเวทนาหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยสิ่งที่ห้ามนะคือห้ามคิดให้รู้เอาถ้าเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นตกจากวิปัสสนาละแต่เบื้องต้นบางคนต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าสอนวิปัสสนาให้รู้กายยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวเนี่ยวิปัสสนาอยู่ตรงนี้ นี่พอใจติดสมถะนิ่งๆท่านก็เลยบอกให้คิดเรื่องกายซะก่อนตรงที่คิดเรื่องกายเป็นปฏิกููปสุภาษอะไรนี่ยังไม่ใช่วิปัสสนายังคิดอยู่ตรงที่เราดูท้องพองยุบเนี่ยถ้าเราเห็นรูปพองรูปยุบไม่ใช่ตัวเราไอตัวที่พองก็พองไปตัวที่ยุบก็ยุบไปนะใจที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ต่างหากเนี่ยเห็นเลยว่าที่พองที่ยุบมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ก็ขึ้นวิปัสสนาได้ แต่มัวแต่ไปเพ่งอยู่ที่ท้อง น, นิ่งๆอยู่ที่ท้อง น, นะหรือมัวแต่คิดว่านี่พองนี่ยุบหรือไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ไม่ใช่พิปัสสนะเพราะงั้นถ้าเราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆจิตนี้ไปคิดก็รู้อาจจะคิดเรื่องกรรมฐานที่ทําอยู่ก็ได้หรือไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ก็ให้รู้ทันมันมันหนีไปแล้วจิตไปเพ่งไว้ก็รู้นะสิ่งที่ผิดมีสองอันไม่เผลอไปก็เพ่งไว้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลย แต่ก่อนหลวงพ่อฟังธรรมจักนะเคย อ, อ่านไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้านะตอนนั้นไม่รู้เป็นไสเดือนกิ้งกืออยู่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้เจอท่านนะอ่านธรรมจักสอนเริ่มต้นเลยนะไม่ไม่หลงสิ่งที่บัญญัต ช, ชิตไม่ควรเสพคือนักปฏิบัติไม่ควรหลงไปมีสองอันการบังคับการทําตัวเองให้เพลิดเพลินในการมในการมสุขาริการุโยคตามใจกิเลสต่อย่างนหนึ่งการบังคับกายบังคับใจ เราฟังทีแรกอ่านทีแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลยอย่างทาตัวให้ประกอบไปด้วยกามก็ต้องไปดูหนังฟังเพล ง, งกินเหล้าเมา ย, ยาอะไรเฮฮาไปจีบสาวจีบหนุ่มอะไรอย่างเ้ถึงจะเรียกว่ากามเรามองแต่ของหยับยับเสร็จแ ล, แล้วเราก็มาบอกท่านห้ามไม่ให้มีการบังคับตัวเองเราก็ไปนึกว่าอัตฉริยิมัธานิโยกนะ คือการไปนอนบนตะปูน ะ, ะยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจอะไรเงี้ยพระพุทธประวัติไปพูดเรื่องนี้เอาไว้คล้ายๆพูดเอาไว้ก่อนแล้วมันไปไกด์ให้เรารู้สึกตามว mm ่า hmm. มันเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลย mm hmm. แต่ก่อนนี้ยังสอนกันด้วยแต่ก่อนเนี้ยจะบวชเนี้ยท่านเป็นเจ้าชายเห็นไหมเหมือนท่านเสเวยการ ม, มาสุขมากมายเลยแล้วก็วาดภาพในใจเราเ น, นี้เนี่ยต้องเป็นเสเวยทางกายนะ เสร็จแล้วพอท่านมาออกบวชเนี่ยท่านมาบังคับตัวเองอดข้าวอดปลากั้นลมหายใจอะไรต่ออะไรนี่ท่านทรมานทางกายเราเรียกทรมานกายเห็นไหมไม่เห็นมีใครพูดเรื่องทรมานใจพูดเรื่องทรมานกายเสร็จแล้วทางสายกลางก็คือเนี่ยเริ่มแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดูๆแล้วไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องการตามใจกิเลสออกไปหากรรมนะกับเรื่องทรมานกายเท่าไหร่ทาไมทางสายกลางกั ความสุดโต่งสองข้างมันไม่แมทกันความสุดโต่งสองข้างเหมือนเป็นเรื่องทางร่างกายใช่ไหมแต่พอมาถึงเรื่องการปฏิบัตินะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเลยเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่นะอ่านแล้วก็งงๆนะแล้วพอภาวนาพอเข้าใจเราถึงรู้ว่าความสุดโต่งสงด้านมันไม่ใช่เรื่องกายหรอกเป็นเรื่องทางใจเหล่านี้เองหนะลวงพ่อถึงพูดเร่อยๆอย่าเพลอ อ, อย่าเพ่งนะกรุบออกมาให้เป็นภาษาสมัยใหม่ เหลอไปก็คือใจเราหลงไปทางตาโอหจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินตามกิเลสไปเรื่อยๆนั้นใจเราจะไหลตามกิเลสไปนี่เรียกว่าสุดโตไปข้างตามใจกิเลสใช่หไหมไม่ใช่เรื่องทางร่างกายว่าไปดูหนังฟังเพลงนะใจเราถังหากตัวสําคัญว่าทำทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจพ<ๆ>อมาอัตตากิลมัทฐานโยคนื่หลวงพ่อไปสังเกตดูนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยอ่ะบังคับกายบังคับใจ ทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่บังคับกายก็ต้องบังคับใจมีอยู่แค่นี้เองสังเกตไหมอย่างเราหายใจสบายๆพอเราจะภาวนานะเริ่มหายใจไม่เหมือนมนุษย์ปกติละหายใจแบบแข็งๆขึ้นมานะมีจุดกระทบตรงโ น, น้นตรงนี้อะไรนี้เกินธรรมดาขึ้นมาหรือจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาทำไมนั่นมาจากใจเราที่คอยบังคับกายบังคับใจตัวเองถ้าเมื่อใดจิตใจของเราไม่หลงไปในโลกของความคิด ไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงหลงหลงได้หกทวารเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หลงทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหลงแวบเดียวขณะที่หลงทางไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสนี่นะช่วงขณะเดียวที่เหลือมันมาหลงทางใจหลงทางใจที่มากที่สุดเลยนะคือหลงคิดงั้นหลวงพ่อถึงพูดไดื่อยถ้าไม่หลงคิดก็ตื่นขึ้นมาแล้วถ้หลงคิดนี่เราสุ่มสุ่มตัวอย่างของความหลงมานะ ถ้าเราจะเรียนสักตัวหนึ่งว่าหลงอะไรดีที่จะเรียนนะไปเรียนหลงคิดไว้หลวงพ่อเทียนถึงสอนนะลัก เ, ลเรื่องหลงไปคิดเหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าลักคิดหนะลวงปู่โดนก็บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ครูบาอาจารย์ท่านฉลาดปลาดเปลืองท่านบีบลงมาอ๋อมันเป็นเรื่องคิดนี่เองเมื่อไร่คิดมันก็ไม่รู้ความจริงของกายของใจความคิดนี่ปิดบงังความจริงของกายของใจไว้งนะั้นให้เรารู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดเนะนี่ยข้างหลง ให้รู้จักหลงคิดไว้ข้างบังคับถามว่าบังคับอะไรมากที่สุดมันเริ่มมาจากบังคับใจนะบังคับใจทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติสิ่งแรกที่เราทำคือวางฟอร์มทาให้ดูต้องสำรวมใจก่อนนะแล้วก็ค่อยบังคับกายให้นิ่งๆดูน่ากลัวไหมน ะ, ะทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะคิดว่าทำอะไรที่เหนือธรรมดานี่แหละคือการปฏิบัติธรรม แท้จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำอะไรให้เหนือธรรมดาการปฏิบัติธรรมคือการที่เราคอยรู้ว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตใจเป็นยังไงอย่าปล่อยตามกิเลสไป เ, เพลิดเพลินไปหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งไปอย่าเอาแต่บังคับกายบังคับใจไว้แต่ว่ามีศีลห้านะก็ต้องมีศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจตามที่เขาเป็นไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับมัน คนไหนเคยหัดพุโทโธนะก็พุโทโธไปพอ ใ, ใจหนีไปคิดเรารู้ทันนรู้ทันใจตัวเองพุโทโธไปพอใจฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันพุโทโธไปพอใจสงบก็รู้ทันพุโทโธพอมีปีติก็รู้ทันพุโทโธพอมีความสุขก็รู้ทันพุโทโธพอใจเฉยๆไปดูเบกขาก็รู้ทันมาพุโทโธแล้วก็รู้ทันใจไปครูบาอาจารย์บางองคสอนนะอย่างหลวงปู่ล่าหลวงปูล่าพูดเจก้ก็บอกว่าว่าอะไรเดียลืมไปแล้ว ลืมสนิทเลยอยู่ๆจิตมันดับไปเฉยๆพูดเรื่องอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นล่ะนะสัญจามันดับหนะ้ามันดับเอาให้ดูง่ายๆอย่างนั้นพระดีมันใจมันแวบไปหลวงปู่ทาท่านวรณภาพไปแล้วหลวงปู่ทาอยู่ปักช่องนี่พระดีที่สุดอีกองหนึ่งนะ อายุอย่างน้อยๆเสียดาย97คนดีอายุ97ก็น้อยนะคนชั่วๆ10ปีก็มากไปละใจมันแวบไปถึงหลวงปู่ทามเลยลืมไปเลยถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะนั่น่ะสิทำไมถึงเปรีเฟอร์หลวงปู่ล่า <c oughs> ออหลวงปู่ล่าบอกว่า พุโทโธอย่างเดียวนะก็ถึงนิพพานได้ที่แรกพูดเรื่องพุโทโธใช่ไหมหลวงปู่ล่าบอกพุโทโธอย่างเดียวก็นิพพานได้ถ้าฟังแบบนักอภิธรรมฟังบอกเป็นไปไม่ได้พุโทโธเป็นคําบริกรรมได้แต่สมถะแต่ถ้าเราพุโทโธเป็นนะเราพุโทโธแล้วเราดูใจไปพุโทโธเล่นๆไปอย่างนั้นพุโทโธเป็นแบ็กกล่าวเพราะโดยธรรมชาติใจของเราเนะี่ยคิดตลอดเวลาห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้ แทนที่จะให้คิดสเปร ส, สปานะก็ให้มันมาคิดพุดโทโธ mm hmm. ใครไม่ชอบพุโทโธคิดอย่างอื่นก็ได้นะท่องชื่อแฟนยังได้เลยนะ mm hmm. เคยมีพระองค์หนึ่งท่องชื่อแฟนนะแล้วจิตรวมเลยเพราะใจมันชอบ mm hmm. นะพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราก็รู้ทันใจของตัวเองไปเรืนะ่อยการดูจิตดูใจนนะก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งตุกได้ mm hmm. ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไร นี่คนไหนชอบหายใจก็หายใจไปนะรู้ไปอย่างสบายๆอย่าไปบังคับให้ลมหายใจต้องกระทบตรงน้นตรงนี้หายใจไปธรรมดานี่แหละหายใจออกก่อนหายใจออกแล้วรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะรู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆหายใจไปหายใจไปเราก็จะเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยขึ้นวิปัสสนาได้ล มันไม่ใช่ตัวเราลากความเห็นผิดว่าเป็นเราหนือหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดแวบบรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจไปเรื่อยๆแล้วจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังงั้นไหมมันเป็นการรู้กายเป็นการรู้จิตบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตอย่างคุณการเน่บอกชอบสวดมนต์สวดอิติปิโส สวัสดีที่พิโสไปแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วก็รู้กายรู้ใจได้คนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจเป็นคนดูอย่าลืมนะคนไหนชอบพองยุบต้องมีใจเป็นคนดูถ้าไม่มีใจเป็นคนดูก็จะไปเพ่งรูปนะได้แต่สมถะเดี๋ยวก็พงกวุบวบบ้าบ้นะขนลุกขนชันจะรู้รูปก็ต้องมีใจเป็นคนรู้ต้องแยกรูปแยกนามซะก่อนให้สังเกตไป รูปที่พองนี่ถูกรู้รูปที่ยุบนี่ถูกรู้รู้ไปเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดว่าเออไอตัวที่พองมันไม่ใช่เราหรอกไอตัวที่ยุบมันก็ไม่ใช่เราหรอกใช่ไหมนี่ขึ้นวิปัสสนาดูดูรูปได้ละหเห็นรูปที่พองก็ไม่ใช่เรารูปที่ยุบก็ไม่ใช่เรามันมันเห็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะใจมันตั้งมั่นมาเป็นคนดูพวกเราหลายคนนะไปดูพองยุบโดยที่ใจไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเอาใจแล้วแนบลงไปที่ท้องไปเพ่งรูป ไปเพ่งเพ่งพองเพ่งยุบเลยอย่างนั้นนั้นสมถะนะการเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารามันูพนิชฌานเป็นสมถะถ้าทําให้เป็นวิปัสสนาเราเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจไปอยู่ต่างหากใจไม่ถลําลงไปในรูปใจจะเห็นทันทีเลยรูปที่พองรูปที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นไหมกํามฐานอะไรก็ได้นะถ้าทําเป็นอะ่ะไม่ต้องถะเลาะ ก, กันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนสายไหนก็ลงได้เหมือนๆกันแหละสายไหนก็ถูกได้นะ หรือเราดูท้องพองยุบไปแล้วใจหนีพิคิดแวบไปรู้ทันว่าใจหนีพิคิดดูท้องพองยุบแล้วใจไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าไปเพ่งแล้วนะดูท้องพองยุบแล้วเกิดปีติขนลุกขนชันผงกหน้าผงกหลังตัวโครงตัวเบาตัวลอยตัวใหญ่นะสารพัดตัวนะก็รู้ทันว่ามันมีปีติขึ้นมาดูท้องพองยุบไปแล้วเกิดความสุครู้ว่ามีความสุขใช่ไหมนี่ดูท้องพองยุบแล้วก็มาดูจิตได้ ดูท้องพองยุบแล้วก็เห็นท้องมันทองท้องมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบนี่ดูท้องพองยุบแล้วรู้รูปได้นะเห็นเลยตัวที่พองยุบไม่ใช่เราตัวที่หนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปเพ่งไปสุขไปทุกไปดีไปชั่วนะก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปประธรรมบ้างนามาทำบ้า ง, าางค่อยๆฝึกไปนะใครเคยทํำยังไงก็ทำํำใครเคยขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปอย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปเผลอคิดเรื่องอื่นคอยรู้สึกไปนะ ขยับไปแล้วก็รู้สึกนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใช่หลักเดียวกับที่ดูท้องพอ ง, งยบแต่เกียะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูมันไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้มันไม่ใช่ตัวเราเหรอกรูปมันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี่อันนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาด้วยการดูรูปเห็นรูปไม่ใช่ตัวเราหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนไปใจหนีไปคิดแอบรู้ทัน ใจไปเพ่งใส่มือรู้ทันใจมีปีติรู้ทันใจมีความสุขรู้ทันใจเป็นอุเบกขารู้ทันหรือใจฟุง้งซ่านหดหูรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆจิตมันเปลี่ยนแปลงของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะนี่เป็นวิปัสสนาดูจิตนะนี้นกรรมฐานอันหนึ่งนะทางแยกเยอะแยะเลยเป็นสมถาก็ได้นะไปรู้กายก็ได้ไปรู้จิตก็ได้สารพัดรูปแบบนั้นดีๆทั้งนั้นแหละนะอย่าละเลยค่อยๆฝึกไป ง่ายๆหรือเดินจงกรมบางคนก็เดินไปธรรมดานะเห็นร่างกายมันเดินไปถ้าเดินไม่เป็นก็เดินแบบสมถะถ้าเดินไม่ได้เรื่องเลยเรียกเดินเรื่อยเปื่อยเดินไปแล้วก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เรียกเดินเรื่อยเปื่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างน้อยก็ได้ออกกําลังกายดีกว่าไม่เดินเลยเดี๋ยวเป็นง่อยแต่ถ้าเดินไปแล้วก็ใจมันไหลลงไปอยู่ที่เท้านี่ใจไปเกาะอยู่ที่เท้าเลยเท้าจะยกเท้าจะย่าง เนะท้าจะลงจะเหยียบนะจะกดอะไรเงี้ยรู้หมดเลยจิตแนบอยู่ที่เท้าเลยนี่ได้สมถนะเดินไปแล้วได้สมถะมีปีติมีความสุขเพราะมันเป็นการเพ่งเพ่งเท้าไว้การที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวสบายๆนะั่นแหละได้สมถะนี่ถ้าเดินจงกรมไปนะเห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นแค่คนดูเห็นว่าตัวที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่เราเดินนะ ร่างกายมันเดินเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่วัตถุาธาตุก้อนนี้รูปธปรรมก้อนนี้กำลังเดินอยู่มันไม่ใช่ตัวเราเดินใจเป็นแค่คนดูอยู่ตางหากแล้วมันจะเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่เราเดินหรอกแต่ถ้าใจไม่แยกมาเป็นคนดูใจถลําลงไปอยู่ที่เท้าก็กลายเป็นสมถะถ้าใจแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินทำ ม, มิปัสสนาด้วยการรู้กายเดินเดินเดินไปแอบไปคิดเรื่องอื่นแวบบรู้ทันแวบจิตหนีไปคิด เดินเดินไปแล้วก็คิดท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้รู้ว่าหนีไปคิดอีกนะเดินแล้วจิตลงไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันเดินแล้วมีปีติมีความสุขมีอุเบกขาเดินแล้วสงบเดินแล้วฟุ้งซ่านเดินแล้วมีความสุขเดินแล้วกลุ่มใจมีความทุกข์อะไรขึ้นมาตามรู้ไปเรื่อยๆนี่ก็คือการทํำวิปัสสนาดูจิตในขณะที่กําลังเดินอยู่ นั้แค่เดินจงกรมนะทําได้สารพัดเลยทําเรื่อยเปื่อยก็ได้ใจลอยไปนะทำสมถาก็ได้ไปเพ่งเท้าไว้หรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายที่กาลังเดินทํำวิปัสสนาดูกายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้ทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเราทํำวิปัสสนาดูจิตก็ได้เดินไปแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูลงไปเราจะเห็นเลยจิตนั้มันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองนี่ใช่หลักอย่างนี้นะ ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแต่กรรมฐานที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็มีเช่นเราไปเพ่งไฟอะไรเงี้ยก่อไฟขึ้นสักกองหรือจุดเทียนเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายใหญ่ไม่ต้องจุดเทียนใช่ไหมมีหลอดไฟเล็กๆจุดไว้ข้างหน้าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเห็ น, นเขาขายรูปกสินกั น, นมี10แผน่นมีสีต่างๆเขียนเป็นวงกลมใครจะทํากสินอะไรก็เอาไปซื้อรูปนี้มาแปะไว้ข้างหน้าแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆ มันจ ร, จริงๆมันไม่ใช่กสินแล้วนะไม่คิดว่าเป็นกสินกสินต้องดูเล่นๆดูเล่นๆแล้วใจรวมสงบได้กสินครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่อะไรนะที่อยู่ส่วนทิพย์อ่ะตอนนี้เออหลวงปู่บุญจริตอ่ะเคยอ่านประวัติท่านท่านบอกท่านฝึกกสินไม่สําเร็จนะฝึกดูโ น, น่นดูนี่ไม่สําเร็จวันหนึ่งนั่งพิงกุติเห็นพระจันทร์ขึ้นสวยพระจันทร์เต็มดวงดูพระจันทร์มีความสุขอ่ะ เห็นไหมพอจิตมีความสุขจิตก็มีสมาธิเลยถ้าทำเป็นม่ง่ายกว่านั้นนะง่ายถ้าไปซื้ออะไรมาแปะไว้แล้วก็กระสิ์นะสีเขียวสีเขียวนะนี่นี่สีเหลืองสีเหลืองนะเมื่อไหร่จะสงบวะนะไม่สงบหรอกต้องดูเล่นเล่นดูไปเรื่อยๆเน่ยพวกนี้มันจะไม่ค่อยย้อนเข้ามาดูกายดูใจจะดูออกนอกไปนะงั้นอย่างเราเล่นกระสินนะพวกกลับเข้ามาเล่น มาเจริญวิปัสนาลําบากนิดหนึง่งมันไม่เหมือนกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจกรรมฐานพวกกสินพวกอะไรดวกนองนีพวกนี้ไปเล่นะพวกอภิญญาง่ายเล่นอภิญญาง่ายงั้นจบแล้วมั้งสรุปก็คือใครเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําไปอย่างนั้นแหละแต่ทําแล้วคอยดูให้ดีจิตมีทางแยกหลายทางอันนึงทำแล้วลืมเนื้อลืมตัวเนี่ย เลวไหลไม่ได้เรื่องเลยไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาะอันหนึง่งทำแล้วจิตแน่้าไปในอารมณ์นั้นรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้อิริยาบถสีเพ่งร่างกายทั้งร่างกายนะรู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นนะอันนี้สมถะรู้จิตก็ไปเพ่งจิตได้นะเป็นสมถะหรือทำกรรมฐานแล้วก็ เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมันเคลื่อนไหวไปมันพองมันยุบไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันไม่ใช่ตัวเราหรอกใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากอันนี้ทํำวิปัสสนาดูกายได้อีกอันหนึ่งก็คือทําไปแล้วจิตใจเป็นยังไงคอยตามรู้ไปอาศัยกรรมฐานนั่นแหละเป็นฐานเป็นเครื่องอยู่พอไม่มีอะไรจะรู้ว่ากลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราแป๊บเดียวจิตก็หนีไปทํางานใหม่แต่ไม่ได้บังคับให้จิตอยู่กับอารมณ์นะ บังคับให้จิตแนบอยู่กับอารมณ์เป็นสมถะนะถ้าปล่อยให้จิตทำงานแต่มีอารมณ์มันหนึ่งเป็นแป๊กกลาวเล่นๆไวนะ้แล้วใจมันแฉลบไปจากตรงนี้รู้ทันใจมันไปเพ่งอารมณ์นี้รู้ทันใจมันเป็นยังไงรู้ทันนี่เราคอยดูจิตเอาเป็นการดูจิตนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะเหมือนๆกันไม่ต้องตีกันนะถ้าทะเลาะ ก, กันก็ไม่ใช่ของแท้ๆหรอกถ้าขึ้นภูเขานะ เวลาเราขึ้นภูเขาเราจะรู้สึกเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยดีที่สุดแล้วพอขึ้นไปยอดเขาเฮ้ยคนแย่ๆเลยเขามาทางไหนก็ไม่รู้มองลงไปรอบๆตัวว่ามันขึ้นได้รอบทิศทางเลยขอให้ทิศทางมันถูกเท่านั้นแหละอยากขึ้นยอดเขาอย่าลงเหวไปเรื่อยๆก็แล้วกันแค่ทิศทางให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนั้นทิศทางก็คือหลักทำค ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้าเดินอยู่ให้ตรงหลัก หลักที่ต้องเรียนก็คือหลักของอริยศาสตร์หลักของสติปัฏฐานหลักของไตรลักษณ์อะไรพวกนี้เรียนลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อเขียนไว้ให้อ่านนะอันนี้มีศึกษาเท่าที่เขียนให้นะพอเหลือกินเหลือใช้ละเหลือเฟือเลยที่เขียนไว้ให้ที่พูดไว้ให้ฟังเหลือเฟือกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งที่ต้องการจริงๆมีนิดเดียวแต่ละคนใช้กรรมฐานนิดเดียวเอง หลวงพ่อก็ดูจิตใจของหลวงพ่อไปเรื่อยๆวันไหนฟุ้งซ่านมากนะเราก็มารู้ลมหายใจเนี่ยเราฝึกอานาปานาสติมาตั้งแต่เจ็ดขวบฝึกแล้วติดสมถะอยู่22ปีก็ไม่มีครูบาอาจารย์สอนไปเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูใจตัวเองดูจิตตัวเองจิตใจเรามันสงบง่ายอยู่แล้วฝึกสมถะใช่มมาตามรู้ตามดูน้ําดูได้ทั้งวันมีความสุขที่ได้ดูดูจิตใจไปเรื่อยๆ เห็นเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนะวันไหนเนเหนื่อยขึ้นมาถ้าขี้เกียจมารู้ลมหายใจนะเราก็จับเข้ า, ากับความว่างเลย เ, เราไปดูจิตมีจิตอยู่สองดวงให้ทําสมถะจิตที่รู้ความว่างจิตที่รู้ช่องว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรจับเข้ า, ากับความไม่มีอะไรจับเข้ า, ากับความว่างๆสองอันนี้ใจก็สงบพาใจสงบมีเรื่องมีแรงถอยออกมาแนละ้วมาตามรู้ต่อ เมื่อตามองเห็นเนี่ยใจเราหวั่นไหวขึ้นมาแล้วเรารู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงใจเราหวั่นไหวแล้วเรารู้ทันเมื่อลิ้นถูกรสใจเราหวั่นไหวเรารู้ทันร่างกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้ใจเราหวั่นไหวขึ้นมาเราก็รู้ทันมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกใจเราหวั่นไหวขึ้นมาเรารู้ทันเนี่ยดูจิตดูอย่างนี้เองดูไปเรื่อยดูจิตไม่ใช่ว่าไม่ดูกายร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกนะ ตามองเห็นก็รู้สึกยังถูกเขาโชคมานีหรือถูกเขาต่อยนะตาเขียวป้าเจ็บลูกตาก็รู้สึกนะไม่ใช่ดูแต่จิตนะ อ, อ๋อกำลังโกรธไม่รู้ว่าตาเจ็บไม่ใช่ไม่ซื่อบื้อขนาดนั้นหรอกนะอารมณ์อะไรเด่นชัดมันก็รู้อันนั้นแหละอย่างเดินไปเหยียบตะปูถา้าะลุรองเท้ามาจิ้มขาขึ้นมามันก็เจ็บอ่ะเจ็บก็รู้นะแล้วแหมโมโหใช่ไหมโมโหตัวเองซุ่มซ่ามก็ได้โมโหไอ้คนที่เอาตะปูมาทิ้งไว้ก็ได้ ถ้าเป็นพวกเราจะโมโหอะไรลองวัดใจสิอันแรกที่อยอโมโหจะโมโหอะไรโมโหคนอื่นไอ้พวกสุ่มซ่ามทําไมมันรกโลกเมื่อไหร่มันจะศูนย์พันะบางทีก็โมโหตัวเองไม่รู้จะโมโหใครอย่างต้นไม้มันขึ้นดีๆเดินไปชนมันเนี้ยนะอะจะโมโหต้นไม้มันก็รู้สึกเกเรยไป ห, นะหรือบางคนโกรธนะอาฆาตอาฆาตก็รู้เอานะ เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลครรู้จิตใจของเราไปได้่อยมีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงส่วนมากอาฆาตนะอผู้ชายไม่ค่อยอาฆาตผู้ชายไม่พอใจมันก็ตีกันโคลมครามไปเลยนะผู้หญิงจะอาฆาตแค้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อาฆาตขึ้นชื่อลือชาเลยคือสุสีไทยเฮาประกรดแล้วคู่ต่อสู้ตายหมดเลย <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ได้อาฆาตเนะ <c oughs> นี่ยเราใครรู้ทันใจเรานะใจเรา ดูไปเรื่อยๆกรรมฐานง่ายๆแต่ว่าทํากรรมฐานอันหนึ่งยืนพื้นไว้ก่อนทุกวันเราก็กลับไปไหว้พระสวดมนต์แล้วทํากรรมฐานที่เราคุ้นเคยทําแล้วสบายใจนะถ้าเคยดูท้องฟองยุบแล้วเครียดหัวจะแตกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เอาสแสดงว่าไม่เหมาะกับจริตเคยพุโทโธแล้วเครียดก็สแสดงว่าไม่เหมาะหากรรมฐานอื่นไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ไม่รู้จะทําอะไรท่องพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ ถ้าก็ดูกายบ้างดูใจบ้างหัดรู้หัดดูไปต่อไปสติมันระลึกขึ้นเองเดี๋ยวมันก็รู้กายนะเดี๋ยวมันก็รู้ใจแล้วแต่ว่าอะไรจะเด่นความรู้สึกทางกายเด่นสติก็ไปรู้กายความรู้สึกทางใจเด่นสติก็ไปรู้จิตหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึ่งเราก็เห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกทั้งกายทั้งจิตกายก็เป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งยืนเดินนั่งนอนไป กายมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนี่เป็นตัวอะไรตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่มันไม่ใช่ตัวเราคอยรู้สึกอย่างนี้จิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองดูอย่างนี้วันหนึ่งก็เข้าใจเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจเข้าใจกายเข้าใจใจว่ากายกับใจนี้ ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่เราจะบังคับได้จริงจังหรอกเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นมาช่วงครั้งช่วงนึกว่ามันจะดับเลยเสียดายไหมเสียดาย <c oughs> เสียดายหนอ <c oughs> แค่ก่อนไม่เข้าใจว่าธรรมะมันดับไปได้ยังไงเวลาแสดงธรรมนะแต่ก่อนนั้นไปงานศพหลวงปู่ดูล งานงานศพท่านเจนมหาบัวไปเป็นประธานเจนมหาบัวก็ขึ้นเทศมวลศาราคนก็มาถ่ายรูปท่านถ่ายกล้องวอแวบแวบแวบแวบท่านก็าวันนี้อะไรเงี้ยถ่ายรูปแวบก็หยุดแล้วก็ถ่ายสักสภาพเดี๋ยวพอหยุดแล้วนะท่านก็พูดอีกคนละเรื่องแล้วนะถ่ายรูปอีกนะท่านหยุดอีกพอครั้งที่สามนะท่านด่าเลย มันจะโลภมากสักแค่ไหนนะธรรมะดับไปสามกันแล้วธรรมะดับไปสามกันแล้วเพราะอะไรเพราะธรรมะของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจริงๆนะถ้าไม่ได้เตรียมสคริปต์ที่จะพูดธรรมะมันออกจากใจสดๆร้อนๆเลยธรรมะมันถึงมีชีวิตชีวารู้สึกไหมมาฟังธรรมะหลวงพ่อรู้สึกมีชีวิตชีวาไหมแล้วนะธรรมะมันออกมาสดๆร้อนๆไม มันสอดคล้องกับสภาพจิตใจของเราขณะ น, นี้สอดคล้องกับบรรยากาศขณะ น, นี้ธรรมะที่ออกมาจากใจสดๆร้อนๆนี่แหละมันซึมซับเข้าสู่ใจเราดีที่สุดเลยถ้าหลวงพ่อจะบรรยายแบบเลคเชอร์นะอีกกี่ปีมันก็ไม่ได้เรื่องนะไปสอบนักทมเอกทำโทรทำตรีอะไรได้นะเอาอ ก, ก็ต้องตรีก่อนใช่ไหมตรีโทรเอง <c oughs> <c oughs> ไปสอบได้แต่ว่าธรรมะมันไม่ซึมซับ ไม่สืบซับท่องได้อย่างเดียวแล้วธรรมะแห้งแล้งธรรมะที่ออกจากใจสดๆร้อนๆเรารับเข้าสู่ใจของเราสดๆร้อนๆนะแค่รับธรรมะก็มีความสุขแล้วฟังธรรมะแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสงบจิตเป็นบุญเป็นกุศลในทันทีที่ได้ฟังธรรมะมท่านถึงบอกว่าฟังธรรมะเป็นบุญเห็นไหมแสดงธรรมะก็เป็นบุญถ้าแสดงออกจากใจสดๆร้อนๆนะถ้าแสดงจากสคริปต์เนี่ยไม่ค่อยมีบุญเท่าไหรอ่อ่ะเครียด งั้นเวลาเราฟังธรรมะวันไหนพวกเราภาวนาดีๆมานะเยอะๆคนส่วนมากภาวนาดีธรรมะก็จะประนีดวันไหนจิตใจชงงช่างมาธรรมะก็ชงงช่างตามไปนะธรรมะมันจะพอเหมาะพอดีกับคนฟังวันไหนมีคนทุศีลมากเนี่ยธรรมะก็ทุศีนนะก็จะเป็นเรื่องต้องทำต้องถือศีนไว้นะอะไรเงี้ย บางคนบอกหลวงพ่อเอาแต่สอนกรรมฐานดูจิตดูใจไม่สอนศีลไม่ใช่นะสอนเยอะนะบางคนว่าหลวงพ่อไม่สอนเรื่องสมาธิไม่ใช่สอนเยอะเลยสมาธิก็สอนอย่างที่ไม่มีใครเ้าสอนกันด้วยซ้ําไปสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิทํามีใครสอนไหมไม่ค่อยมีหรอกนะงั้นสอนสมาธิจนละเอียดเลยเข้าใจแล้วก็ทําจิตใจให้สงบง่าย ง่ายนิดเดียวเลยนะเรารู้หลักแล้วสมาธิเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากอะไรล่ะโอ้คนนี้จําแม่นรีบคิดเด็ดปุ๊บออกความสุขมีคําตอบผุดขึ้นมานะเกิดจากความสุขนนี้ถ้าความสุขนั้นเป็นความสุขที่จากการได้รู้กายรู้ใจนะสมาธิที่เกิดนั้นจะเป็นสัมมาสมาธินะจะเป็นสัมมาสมาธิบางทีนั่งเถียงกันนะว่า มีสัมมาสติก่อนแล้วไปเจริญปัญญาใช่ไหมถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิอะไรเงี้ยเสียงกันไปเถียงกันมาพวกนี้ไม่เข้าใจสัมมาสติแท้ๆเกิดตอนเกิดอริยมรรตสติที่พวกเราฝึกไปเนี่ยยังไม่ใช่สัมมาสติตัวแท้ๆหรอกอนุโลมเรียกเพื่อเอาเอาใจให้กำลังใจไว้ก่อนแล้วพูดซื่อๆนะ สมาทิฏฐิที่เรารู้เราเห็นตรงนี้ก็สมาทิฏฐิปลอมๆเอาใจไว้ก่อนเรียกว่าสมาธิฏฐิสัมมาสัมมาทั้งหลายไปเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคชั่วขณะจิตเดียวมันไม่ได้ว่าตอนนี้จะทําสมาธิฏฐิตอนนี้จะทําสัมมาสมาธิไม่ใช่เกิดพร้อมๆกันหรือโพชฌงเจ็ดก็เกิดพร้อมๆกันเห็นไหมมรรคมีองค์8เกิดพร้อมๆกันอิทธิบาทสี่เกิดป้อมๆกันนะ ยินทรีห้าพละห้าเกิดพร้อมๆกันสัมมาประธานนี่คือสัมมาวยามะหรือความเพียรชอบสี่อย่างก็เกิดพร้อมๆกันเกิดพร้อมกันหมดเลยธรรมะธรรมะที่มันเกิดพร้อมๆกันเนี่ยมคิดๆมันรวมตัวเข้ามารวมหัวช่วยกันบ่มกิเลสธรรมะเยอะนะกิเลสน้อยจิตที่เป็นกุศลน่ะมีเยอะแยะเลยจิตอกุศลมีแค่สิบสอดวงเองนะ จิตที่เป็นกุศลนะ่ะมีเยอะแยะหลายสิบดวงแต่ว่าทําไมอากุศลเป็นคลองโลกแม้มันน้อยนะแต่มันเก่งเวลาที่กุศลจะมารวมตัวสู้อกุศลโดยเฉพาะจะไปสู้อวิชานะธรรมะฝ่ายดีรวมตัวกันเยอะแยะเลยเนี่ยโพธิปักขีย์ธรรมสามสิบเจ็ดตัวรวมตัวกันไปต่อสู้เนี่ยวันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าตรัสนะลุธรรมะมันรวมตัวกันไปสู้กิเลส ประหารกิเลสออกจากใจท่านมารจริงๆนะจะขี่ช้างขี่ม้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามารสมัยใหม่ต้องขี่รถถังใช่ถ้าสมัยโน้นก็มารขี่ช้างมานะน่ากลัวอนะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยเห็นที่วัดไหนไม่รู้เขาเขียนมารนะถือปืนกลนี่ช่างมันสนอะนะเขียนเนี่ยคุณงามปําดีนะทำไว้แล้วมันจะมารวมตัวสู้กิเลส ในนาทีที่จะข่ามพพขามชาติตอนเวลาท่านจะนิพพานท่านก็ทำความสงบเข้าไปนะถอยออกมาออกจากฌานสมาบัติอยู่ในภาวะจิตปกติของมนุษย์นี่ดีที่สุดเลยนิพพานในจิตปกตินิ่งจิตที่รู้ตื่นเบิกบานธรรมดาธรรมดาไม่ได้นิพพานในฌานสมาบัติอะไรโอ้แล้วจะเทศอะไรเยอะเกินจะให้ถามนะก็ ถาได้สองสามคนหนึ่งเอาคุณมาลีเอาเชนหน่อยส่งกันบ้านเจ้าค่ะช่วงที่ผ่านมาก็ตามดูกิเลสไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งจิตมันจิตมันตามดูได้ถี่มากเลยเจ้าค่ะจนกระทั่งประมาณครึ่งวันผ่านไปเนี่ยยูนจิตมันก็ระเบิดออกมาว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในวันนั้นนะคะ ก็ ต, ตามดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดีจิตมันเกิดปัญญาพอปัญญามันเกิดแนละ้วจิตใจมีความสุขไปหลายวันเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วก็ดูไปเพราะกิเลสยังไม่หมดเราก็ดูไปเรื่อยๆนะดีแล้วภาวนาดเดี๋ยวตรวจกันบ้านพวกนี้หน่อยอแหมจิตมีปิติมากเลยค่ะหลวงพ่อเลยไม่แน่ใจว่ามันกระจายเหมือนที่หลวงพ่อบอกหรือว่าแต่รู้ว่าไม่แน่ใจสิ รู <c oughs> นะ้ ล, ลงปัจจุบันไปแต่มันมีตลอดอะค่ะมีปิติปิติมันเด่นขึ้นมารู้ว่ามีปิติพอรู้ว่ามีปิติแล้วเกิดปฏิกิริยาเกิดสงสัยรู้ว่าสงสัยนะส่วนจิตจะตั้งมั่นพอไหมจิตจะกว้างไปไหมกระจายไปไหมนะสังเกตออกไหมล่ะมันมันรู้ว่ามันยินดีในปิตินั้นมากมากกว่าค่ะกว่าที่แบบว่าใจอยากจะไปสังเกตว่าตอนเนี้ย มันมันเป็นยังไงอะค่ะก็ตอนนี้มันไม่ทวนเข้ามาที่จะดูตัวเองมันมีความสุขแล้วมันไปเสพความสุขนั้ะมันยากค่ะหลวงพ่อเวลามันมีความสุขมันเลยแบบมันไม่อยากกลับมาดูอะค่ะออมันไม่อยากรู้ทุกนี่แหละพวกเทวดานะภาวนาลําบากมันมีความสุขแล้วมันจะเพลินเลิศเพลินแล้วต้องย้อนมาดูแล้วมีความทุกข์แต่ให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย ว่าจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตพอใจในความสุขจิตที่มีความสุขตัวความสุขมันเป็นสมนัติเวทนาไม่ดีไม่ชั่วตรงที่พอใจในความสุขเป็นราคะให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บความราคะมันจะดับเหลือแต่ความสุขความสุขก็จะเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแสดงความเสื่อมไปให้ดูเราให้เห็นโอ้หายไปแล้วเสียดายไหม เสียดายรู้ว่าเสียดายนี่โทสะเกิดแล้วรู้ลงปัจจุบันไปได้ด้วยๆอ้าวกันแล้วการหายไปไหนการอ่าว่าไงกันตอนนี้รู้สึกกระวนกระวายครับช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าเห็นหลงคิดได้บ่อยมากขึ้นครับอืมแล้วก็หลงดูกับหลงฟังก็เป็นตัวตามมาครับสังเกียตไหมจิตตอนนี้มันเริ่มเห็นทุกข์ มันรู้สึกทุกข์รู้สึกไหมมันรู้สึกว่าไม่เห็นหน้าสนุกเลยโลกนี้ดูไม่น่าสนุกเท่าไหร่จิตพอมันเดินถึงจุดแนีบางทีมันเห็นทั้งหมดนี้หน่าเบื่อหน่ายเห็นไม่มีอะไรเลยไร้สาระไปหมดนะถ้าใจเราเกิดเล่าร้อนขึ้นมาให้รู้ว่าเล่าร้อนลงไปให้รู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่งใจเราก็จะสงบตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็เห็นโลกที่มันทุกข์นี่แหละ เห็นกายเห็นใจนี่แหละคำ ว, ว่าเห็นโลกก็คือเห็นกายเห็นใจคำ ว, ว่าโลกก็คือกายกับใจเรานี่เป็นนิยามทางศาสนาพุทธนะโลกก็คือรูปนามหนีไปคิดและทรบาบไหมกันกแปรมหนีไปคิดละเอาเลยใจฝ่อไปเลยนะทีแรกมีความสุขอยู่ดีๆรู้สึกยังไม่เที่ยงน่าเสียดายไหม ดูลงไปดูซิใจมันจะร้องไห้แล้วมันรู้สึกความสุขหายไปแล้วรู้ลงไปเลยมันเป็นยังไง ร, รู้ลงไปเห็นไหมโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละเห็นโลกนี้จะหน้าอาับยิบอะไรนักหนาพอเราเห็นไปเรื่อยๆนะแต่ไปเราก็ไม่จําเป็นเราก็ไม่แต่งงานนะไม่ใช่ว่าตั้งปณิธานไปรับปากท่านว่าจะต้องไม่แต่งอ่อย่าวปรับนะสองเดือน ออสองครั้งเหรอท่านก็อย่างนั้นแหละเจอใครท่านก็ชวนบวชมูแหละ <c oughs> มีนะบางคนนะอยู่ออุตรีนะมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เชือ้อเชิญไม่ได้ถามแล้วหน่อยหลวงพ่อคะหนูขอให้หลวงพ่อเป็นพยานหนูจะไม่แต่งงานนี่อย่างนี้ก็มีนะ แ้วหายไปปีหนึ่งหลวงพ่อคะที่หนูปฏิญาณไว้หนูจะมาขอเลิก <laughs> ปฏิญาณทําไมนะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราดูความพร้อมนะอย่าไปคิดมากเหมือนอย่างคนบวชพระอาเงี้ยอย่าไปตั้งใจใชนะว่าจะบวชตลอดชีวิตนะ่ะพอตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตนะ่ะไม่กี่วันอยากจะศึกแล้ว แค่ว่าจะบวชแบบไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมันบวชแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะพอเผลอๆไปผ่านไปหลายปีแล้วไม่มีปัญญา จ, จะศึกแล้วนะการจิตเป็นไงกันศึกซึมซึมนิดนึงครับ อ, อย่าไปกดมันนะครับจิตกดมากไปทำใจให้สบายๆแผลมใจลอยไปละแผลอ้าวว่าไง สองการบ้านเจ้าค่ะรู้สึกตอนนี้ซึมๆเจ้าค่ะอ่าเนี่ยพอหลวงพ่อพูดไล่เนี่ยนะเริ่มซึมแล้วถ้าไม่ซึมก็เครียดหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าระวังจิตจะติดเฉยเราจะทราบได้ยังไงเจ้าค่ะว่าติดเฉยเวลาใจมันไปติดเฉยนะมันขี้เกียจที่จะมารู้กายขี้เกียจจะมารู้ใจมันพอใจในความสุขในความสงบในความว่างเปล่าที่กําลังเป็นอยู่ ใจมันจะอยู่รู้อยู่นอกๆ น, นะสบายๆโปร่งๆเบาๆสบา ย, าาบายมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะให้เรารู้ทันรู้ทันยังไง ร, รู้ทันว่าใจเราโล่งๆว่างๆสบายๆรู้ทันลงไปอีกใจเรายินดีพอใจพอรู้ทันถึงความยินดีพอใจจะไม่เรียกว่าติดเฉยละถึงความโล่งความว่างความสว่างความสบายจะปรากฏอยู่แต่จิตจะไม่ติดละมันติดเพราะราคานะนั้นถ้าสงาใจเราโปร่งโล่งขึ้นมานะ แล้วเราเห็นว่ามันชอบเนี่ยรู้ทนันความชอบดับปับ๊บเนี่ยไม่เรียกว่าติดละอย่างเหนียวของมันก็คือกิเลสคุณเจ้าหรือว่ากิเลสเป็นอย่างเหนียวทําให้เราติดปฏิบัติอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะปฏิบัติตอนนี้เป็นยังไงเจ้าค่ะเหลอดีดีใช้ได้ดีแลกดีใจไหมรู้ว่าดีใจนะไม่ <c oughs> งั้นเดี๋ยวต้องถอนแต่ตอนนี้ไม่รู้ตัวแล้วนะอาภี่วัยส่งน้อนไปให้การการการ ก็รู้ตัวอย่างรู้กายรู้ใจอย่างเบาๆสบายมากขึ้นนะครับจนกระทั่งคนแรกจับม่ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาครับวันนี้สบายกว่าเมื่อวานไหมสบายขึ้นครับแต่บางช่วงก็เพ่งก็รู้ไปครับอพอบางช่วงก็คือจะเริ่มควานหาขึ้นมาว่าตอนนี้ยังเป็นยังไงครับเออดีที่รู้ทันนะกว่าเราก็รู้นะส่งมาข้างหน้ามาก็อันนี้ผมก็รู้สึกว่าเผลอ เราเหงื่ อ, อ ไ, มไม่บ่อยครับก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวว่ากโกรธนะครับเพราะว่าโกรธแต่ไม่คยรู้ว่ากโกรธผ่านไปแล้วสิบนาทีจะรู้ครับเออเหรอรู้นานเป็นนิดนึงนะไม่ใช่นะ <c oughs> ว่าถ้ากิาว่ารู้ว่าเผงือยิงเดียวเผงอแล้วรู้อย่งเดียวนี้อาจจ ะ, ะเห็นําได้ไหมครับได้ถ้าเผงอปุ๊บรู้นะเผงอแล้วก็รู้นะไม่ใช่เมื่อวานเผงอวันนี้รู้นะ <c oughs> เผงอแล้วก็รู้เผงอแล้วรู้แค่นี้ก็พอที่จะเห็นทำได้แล้วครับแล้วจะเห็นในเวลารวดเร็วด้วย พอสภาวะธรรมพอละเอียดถึงที่สุดเนี่ย น, นะกิเลสตัวที่ละเอียดนะี่คือโมหะความหลงความเผลอเนี่ยก่อนที่จะมันจะเป็นราคะโทสะหยาบหยาบอาศัยความหลงความเผลอก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใจเราไหลไปแวบรู้สึกทันทีนะมันจะไม่มีราคะโทสะมีแต่โมหะมันหลงไปฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆพอรู้ทันปั๊บจิตว่าเป็นกุศลขึ้นมารู้สึกตัวอีกแวบหนึ่งก็หลงไปอีก แล้วก็รู้สึกอีกเราไม่ได้ฝึกที่จะห้ามหลงเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่เราฝึกเพื่อว่าเมื่อหลงแล้วรู้ให้ไวๆเมื่หลงแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยจิตที่หลงเป็นตัวแทนของอากุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของมหากุศลจิตเราจะเห็นเลยจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอากุศลเกิดแล้วก็ดับ จิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยแค่ดูไปแค่นี้เราก็จะเข้าใจเลยทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นการที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทั้งสิ้นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเมืนอไงถามว่าแค่เผลอเรารู้เผล อ, อเรารู้เนี่ยจะบรรลุพระโสดาบันไดไหมบรรลุได้บรรลุได้แค่ลก ร, ร, รแล้วรู้รลกรแล้วรู้ก็ๆๆยังบรรลุได้เลยแค่โลภเรารู้โลภเรารู้ก็ยังบรรลุได้ มีความสุขแล้วรู้ไม่มีความสุขก็รู้ก็บรรู้ได้หายใจออกก็รู้สึกไปไม่มีเราหายใจเข้าก็รู้สึกไปไม่มีเราก็บรรู้ได้จริงๆแล้วกรรมฐานน่าง่ายถ้าทำเป็นแล้วหยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นกรรมฐานหมดเลยนะถ้าทำไม่เป็นนะหยิบอะไรมาก็ผิดหมดเลยถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นใช้ได้ทั้งหมดเลย ให้รู้กายให้รู้ใจนะอันแรกต้องรู้กายต้องรู้ใจไม่ใช่รื่นอื่นการรู้กายรู้ใจไม่ใช่คิดเรื่องกายไม่ใช่คิดเรื่องใจไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งใจแต่เป็นแค่รู้รู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจนี่เรียกว่าเรามีสติขณะที่รู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้าย จิตที่มันินไม่หลงยินดียินร้ายรู้อย่างเป็นกลางเนี่ยจิตมันมีสัมมาสมาธิมันจะทําให้เกิดปัญญาคือเราจะเห็นความจริงเลยกายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราดงนั้นเครื่องมือมีสองงานนะสติกับสมาธิถ้ามีสติกับมีสัมมาสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดง่ายนะง่ายอย่ตอนนี้จิตไม่มีสัมมาสมาธิรู้สึกไหมครับรู้สึกว่าเบือแล้วก็เพง่งใช่ใช่ ให้รู้ทันมันนะเวลาที่จิตเราเป็นยังไงหรือกายเราเป็นยังไงเรามีสติรู้ลงไปนึกว่าเรามีสติล้แต่พอเรามีสติแล้วเราคอนเซนเทรตอย่างแรงนะจ้องอย่างแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพ่งอารมณ์เจะกลายเป็นสมถะแต่ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจแล้วใจเราอยู่ต่างหากไม่ถลำลงไปเพ่งใจเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆนะสบายสบายมันยินดีขึ้นมาก็รู้ยินร้ายขึ้นมาก็รู้แล้วก็เป็นกลาง พอรู้ทันความยินดียินไลท์ที่เกิดแล้วมันเป็นกลางรู้ไปด้วยความเป็นกลางนี่แหละจิตใจที่เป็นกลางอ่อนโยน น, นุ่ม น, นวลเบาสบายนี่แหละเรียกว่าจิตมันมีสัมมาสมาธิจิตที่มันมีสัมมาสมาธิมันจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งกายทั้งใจนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเลย mm. เห็นทันทนีเห็นทันทีว่ามันไม่มีตัวเราการที่เราเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่นยแหละมันเป็นตัวปัญญาปัญญามันเกิดจากสัมมาสมาธิ สมาสมาธิก็คือใจมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้เพ่งผู้จ้องไม่ยากนะง่ายง่ายตอนนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้จิตเพ่งครับเพง่งเอ อ, เ, อ, อเลิกสิเลิกซะไปเพ่งเป็นทำไมล่ะก็มันเกรงนะครับก็บอกว่ากลัวว่าจะไม่ดีครับเออเนะี่ยทำไมต้องกลัวไม่ดีก็อยากจะดี เดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเอาอย่างงี้ยเราอยากดีทาไม่เราอยากดีนะถ้าดีเราอยากดีเพราะเรารักตัวเราเองเราอยากให้กายนี้ดีอยากให้ใจนี้ดีเพราะมันเป็นตัวเราเพราะนั้นการภาวนานะถ้าภาวนาด้วยความอยากดีเนี่ยจะไม่ละความเห็นผิดเรื่องตัวเราจะไม่ละความยึดถือตัวเราเพราะการภาวนาด้วยความอยากดีนี่แกําลังเซิร์ฟตัวเราอยู่ให้รู้ทันลงไปไม่ดีก็ได้จําไว้นะ ไม่ดีก็ได้แต่ห้ามชั่วคำว่าชั่วของหลวงพ่อหมายถึงผิดศีลห้าไม่ดีก็ได้แต่ไม่ชั่วไม่ดีก็ได้หมายถึงว่าจิตเรามีความโกรธเกิดขึ้นก็ได้มีความโลภเกิดขึ้นก็ได้หลงไปก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้หดหู่ก็ได้นะอิจฉาริษยาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางนะถ้าเรามีสติเรามีสัมมาสมาธิ สติไปรู้สภาวะธรรมทั้งหลายสัมมาสมาธิทําให้จิตใจที่รู้สภาวะนั้นะนะรู้อย่างเป็นกลางอ่อนโยนนุ่ ม, น, มนวลเบาสบายปัญญาจะเกิดตอนที่หลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรนะ่ะสอนนิดเดียวบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจไปหน้าด้วยจิตที่เป็นกลางสอนแค่นี้เองตรงที่ให้ให้รู้กายรู้ใจก็คือให้มีสติให้รู้ได้จิตที่เป็นกลางก็คือมีสัมมาสมาธิแค่ดูไม่นานเห็นไหม เจ็ดเดือนเองก็ได้ปัญญาขึ้นมาตัวเราไม่มีเห็นอย่างนี้ตัวเราไม่มีพวกเราภาหัตถภาวนาใหม่ๆบางครั้งเห็นว่าตัวเราหายไปจะตกใจจีรัสเคยเป็นไหมตัวเราหายไปมันตกใจเพราะมันรักตัวเรา much แต่ว่าพระโสดาบันนี้จะเห็นเลยตัวเราไม่มีแล้วก็ไม่ได้เสียดมเสียดายมันแล้วเพราะตอนี้รู้ว่าเพ่งกต่ว่ามันก็ยังเพ่งอยู่มันห้ามไม่ได้อยากหายเพ่งไหม ก็เฉยๆครับก็ข า, <ช>ายก็ได้ขายก็ได้ครับถ้าถ้ามันเพ่งมากแบบนี้นะไปหางานทาไปหากิจกรรมต่างๆทาซะนะให้มีผัสะสดๆร้อนๆใหม่ๆสิงๆเนี่ยมาหลอกล่อจิตให้เคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้เอนะออกไปกระทบโลกแต่ไม่ได้สอนให้ไปเที่ยวเหลวไหลนะนะหายถึงตาหูจมูกลิ้นแก่ใจเนี่ยออกมาดูโลกข้างนอกนี่บ้างไม่ใช่จะเพ่งงดดๆดๆอยู่แต่ข้างใน ที่ฝึกอยู่นะจริงๆใช้ได้แต่ติดเพ่งแรงไปนิดเดียวเท่านั้นแหละที่ทําอยู่นะดีแล้วล่ะก็ให้ปล่อยให้เผลอไปแล้วก็ดูเอาเองเออเผ<อ>ลอแล้วรู้บ่อยๆนะอย่า ก, กลัวเผลออย่า ก, กลัวไม่ดีปล่อยมันไปเลยอคุณต้องหลวงพ่อคะอยากเรียนถามว่าวิหารธรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยความจงใจแล้วมันก็ผิดไปเลยหรือเปล่าคะ เบื้องต้นก็อาศัยความจงใจก่อนนะเพราะเรายังไม่เกิดสติอัตโนมัติก็ต้องจงใจไปก่อนมีตัณหาไปก่อนมีมานะมีทิฏฐิไปก่อนนะอาศัยกิเลส น, นี่แหละแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้ธรรมะเสร็จแล้วก็มาค่อยรู้กายมาค่อยรู้ใจทีแรกมันก็จงใจต่อมาพอเราเห็นว่าเอ๊ะจงใจเราก็แน่นๆนะใจค่อยฉลาดขึ้นละต่อไปมันรู้แบบไม่จงใจเบื้องต้นก็อาศัยอย่างนั้นแหละอาคุณมลสงกันบ้าน จะไปงานหลวงปู่ทาปอะได้ค่ะหลวงพ่อก็ยังไม่รู้แน่เหมือนกันนะ <c oughs> นี่แค่ชมพูโทรศัพท์มาบอก <c oughs> เกิดไปแล้วบอกจะไปงานศพท่านท่านยังอยู่ลวแย่เลยนะแล้วไง มันซึมซึมะค่ะมันสลับกันแบบซึมซมแล้วไปกดเอาไว้ใช่ค่ะซึมซึมเศร้าเศ้ า, าแล้วก็มีตัวหนึ่งตรึงเอาไว้เออนั่นแหละดูได้ละเอียดนะดูได้ละเอียดเพราะขาเวลารู้ก็จะมีสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมใหม่ออถ้าสติมันเกิด น, นะมันมีความสุขขึ้นมาเฉยขึ้นมานะอขอบคุณครับสคล้ายๆกันไม่คล้ายนะมันมีแบบ มันมีกลัวๆฝ่อๆแล้วก็ไปกดเอาไว้อ่าไปกดกดแรงว่าคุณมนแล้วสังเกตไห้ใจเราฟุ้งซ่านเลยใจเรากระจัดกระจายคุณมนเขาไม่กระจายเขาซึมกับข้างกันโมหะคนละตัว <c oughs> คนละแบบหน้ามารวมกันล้อหันสองเป็นแบบกระจายฟุงฟ้งซ่านใช่ไหมครัอ้าวดอกเตอร์เล็กนี่นะชื่อเล็กนะแต่เพื่อนพยายามมาบอกหลวงพ่อว่าชื่อแ้ว <c oughs> อดอกเตอร์เล็กว่าไงครับรู้สึกว่าวันนี้มันเครียดน้อยกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยครับอืมมันวันนี้มันปร่งป่งขึ้นดีแม่ก็ดีขึ้นนะแม่ก็ปร่งโป่งขึ้นอ่ะคุณอะไรคุณกบเอ่อก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าถ้าที่ทำมาเออนี่ก็จะมีความเป็นตัวเรายังอยู่เยอะเหมือนกันนะคะดีที่เห็นนะค่ะ ทีนี้ทีนี้ก็มีคําถามค่ะหลวงพ่อสมมุติว่าปฏิบัติไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วตายกะทันหันค่ะเพราะว่าจะคิดตลอดเลยค่ะว่าตายดีๆนะคิดถึงความตายแล้วดีค่ะทีนี้กําลังสงสัยค่ะว่าถ้าขันดับแล้วแล้วจิตต้องทําอย่างไรคะไม่ต้องทําอะไรเขาทําเขาเองมันจะไปเกิ ด, ด, ดเอง อ, อัตโนมัติคือเราจะปล่อยว่าจะอะไรจะเกิดก็เกิดหรือว่าเรา ไม่มันจงใจไม่ได้จงใจไม่ได้ในขณะที่จะตายจริงๆเนยะมันบังคับไม่ได้ค่ะนะจิตมันทำงานเองแล้วตามบุญตามบาปตามความเคยชินที่สั่งสมมาค่ะนะเพราะเวลาจะตายนะมันจะเข้าไปสู่วิถีเขาเรียกมรณ า, าสันนวิถีชื่อก็เรียกยากนะแค่นึกถึงชื่อมันก็อยากตายเร็วๆแล้ว <laughs> <laughs> ตรงวิถีเนี่ยจงใจไม่ได้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาเองเหมือนอย่างเรานอนแล้วเราฝันเนี้ย จะฝันดีหรือฝันร้ายเราเลือกไม่ได้เนี่ยจิตมันจะทํางานอัตโนมัติตรงเนี้ยแล้วแต่บุญหรือบาปมันจะให้ผลหลวงพ่อเคยเห็นผู้หญิงคนนึงนะญาติญาติผู้ใหญ่แกตายเมื่อไม่นานเนี้ยตอนก่อนจะตายเนี่ยชอบไปสาราลุงชินไปเป็นปีๆหลายปีนะแต่ทําบุญกับหลวงปู่เลี้ยนอะไรเงี้ยทําอย่างอื่นไม่เป็นภาวนาไม่เป็นตอนเจ็บหนักเนี่ยทุรนทุรายทุรนทุรายพวกลูกลูกหลานๆนนัะ่กลัวว่าจะไปอบาย แต่วันที่จะตายเนี่ยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานอนตาแป๊วอลยรู้สึกตัวตลอดเลยใครมาจับมือใครมาจับเท้านะรู้รู้ว่าใครรู้ว่าใครนะใจตื่นสว่างนะบุญมันช่วยคุ้มครองให้รักษาให้พอตายด้วยจิตใจอย่างนี้ก็ไปสุขติ mm hmm. ไ, ไมเข้าไปของเขาเองใครก็พาเข้าไปไม่ได้ต้องสร้างเอาเอง เพราะฉั้นเราทำความดีเนืองๆจนจิตเราคุ้นกับความดีเวลาตาย้วตายดีเราทำชั่วเนืองๆจิตคุ้นกับความชั่วนอนก็ไม่มีความสุขแล้วเวลาจะตายก็จะฝันร้ายนิมิตร้ายๆขึ้นมางั้นถ้าคนไหนชอบฝันร้ายอ่ะภาวนาเยอะๆนะ <laughs> ลูกหลานพี่น้องทั้งหลายถ้ายัางฝันร้ายอยู่ภาวนาเยอะๆดูกายดูใจให้มากๆ จนถึงจุดที่ว่าพอมันฝันร้ายปุ๊บสติทำงานอัตโนมัติเลยนะอย่างฝันน่ากลัวปุ๊บสติระลึกปั๊บเลยขาดสะบัน้นะ <S <S ถ้าอย่างนั้นพอเอาตัวรอดได้ชาติหนึ่งชาติเดียวนะชาติหน้าว่ากันใหม่อ้าวคุณสุนันแข็งมากเลยค่ะแข็งก็รู้ไปพยายามดิ้นรนอ่าคุ <c oughs> กบอย่าไปกังวล น, นะ อย่าไปกังวลที่ฝึกมาเนี่ยเหลือเฟือแล้วเพราะงั้นสมมติรถจกควําตายมีเวลาไม่กี่วินาทีนะสบายต้องไปกลัวหรอกอาคุณหมอหมอคมสันก็ <c oughs> <c oughs> มีปิติครับแล้วก็ตอนนี้มีความสุขอดี<ข>อนะเวลาจิตมีปิติเนี่ยจะเป็นพลังนะคุณหมอมันจะฟอกกายเราด้วยมันมีรังสีของจิตที่ฟอกกาย ของหนูช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะแบบฟุ้งซ่านแล้วก็สลับกับคิดมากอะคะ่ะเราจะเราจะรู้สึกว่าหลงนานนะคะเผลอ <Per> คิดนานมากกว่าจะรู้ตัวแล้วเพอรู้ตัวปุ๊บมันก็จะโกรธตัวเองมันก็ก็อาศัยว่าเล่นโยคะคะ่ะช่วงเล่นโยคะก็จะดูตัวเองไปก็จะเห็นว่ามันจะมีท่านหนึ่งที่เล่นแล้วจะเจ็บครั้งแรกจะรู้สึกว่าเราเจ็บแต่เดี๋ยวนี้จะเริ่มเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออตรงนี้มันเจ็บแต่เราไม่ได้เจ็บแล้วก็พร้อมกันก็จะคือด้วยความที่แบบมีเรื่องให้คิดมากะคะ่ะก็เลยจะเห็นทั้งว่าทั้งเจบ เออทังรู้สึกว่ามันเจ็บแลก็อ่ะคิดอีกละอะไรอย่างเงี้ยเออนะไปเล่นโยคะท่านี้ให้บ่อยๆนะ <laughs> ก็เลยแบบหลวงพ่อค้าบอย่างการที่เราคิดมากๆแล้วเราเผลอไปนานๆหนูอยากจะขออุบายหลวงพ่ออีกอะค่ะเพราะว่าช่ ว, วงรู้สึก<ม> ว, ว่าเราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เราถึงจะไม่หลงยาว <laughs> เวลาจิตเราหลงยาวนะมันร่อนเร่ไปเหมือนเด็กจรจัดไม่มีบ้านอยู่ไปเรื่อยใช่ไหมมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเราต้องมีบ้านให้มันอยู่บ้านของมันก็คือวิหารธรรมบ้านของจิตอะ เราจะอยู่กับพุโทโธก็ได้ท่องพุโทโธไปหรือเราจะรู้กายก็ได้ร่างกายเราเนียทหัวยุกยุกยกเงี้ยเราก็รู้สึกมันยิ้มเราก็รู้สึกอะไรก็คอยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายแต่ไม่เพ่งกายเห็นในร่างกายมันยิ้มไปนะใจเราเป็นคนดูเหมือนตอนที่ทําโยคะที่ว่าแทนที่จะต้องทําเฉพาะตอนที่ทําโยคะนะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนียสวมหัวใจเหมือนเราทําโยคะอยู่อย่างนี้ล เราเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกมันยิ้มมันพยักหน้ามันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนไปไม่ใช่เราเลยนะแล้วถ้าจิตหนีไปคิดแวบมันจะรู้ไวหน่อยมันต้องมีเครื่องอยู่เอากลายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะถ้าเราถนัดเล่นโยคะเราเอากลายเป็นเครื่องอยู่ขอบคุณค่ะช่วงนี้ก็เห็นใจไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะไม่มีแรงดูค่ะแล้วใจทําไมมันเหี่ยว ดูมันป้อแปะปอแปะใช่ค่ะก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงเหี่ยวทั้งทั้งที่ก็มี อ, อยู่ในทําในรูปแบบทุกคืนนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ในระหว่างวันนี่ทํางานเราก็อาจจะไม่ได้ดูเลยเจ้าค่ ะ, ะเวลาเราทํางานเราทําไม่ได้อยู่แล้วนะช่วยไม่ได้แต่ว่าถึงเราจะภาวนาให้ดีวิเศษแค่ไหนนะถึงจุดนึงก็เสื่อม บางคืนก็รู้สึกว่าภาวนาดีพออีกวันนึงก็รู้สึกว่าภาวนาไม่เป็นเลยเออนั่นแหล ะ, ะเป็นอย่างนั้นทุกคนน ะ, ะถ้าคนที่ภาวนาเป็นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะาอะไรเพราะว่าจิตใจมันสอนธรรมะเรานะเราทําเหมือนกันทุกวันอะ่ะวันนี้ดีๆๆขึ้นไปอ้าวอีกวันนึงก็ทําอย่างเดิมแล้วเสื่อมให้ดูดมันจะเริ่มสอนมวยเราแล้วล ว, ว่าแกบังคับฉันไม่ได้จริงหรอกแต่ก็เห็นจิตมันขึ้นมาแข็งแนละ้วจ้ะค ะ, ะทำไมจะแบบจะทําไม่ได้เมื่อวานยังทำได้อยู่เลยก็เห็นว่ามันก็ยังแบบ ฉันจะทําให้ได้ฉันจะทําให้ได้ภาวนาเก่งแล้วดีแล้วดูซิระหว่างฉันจะทําให้ได้กับไตรลักษณ์ใครจะชนะใช่เจ้าค่ะมีมีมีถามตัเองเหมือนกันว่าก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็รู้ว่าทําไม่ได้แต่จิตมันจะมันจะทำอะตอนที่ฟังกับตอนที่ปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องกันเห็นไหมเพราะจิตเรามันไม่ได้รับธรร ม, มะไว้เราเอาหูรับธรร ม, มะไว้หมดใช่หไหมมันไม่เข้าถึงจิตถึงใจเข้าสมองเจ้าค่ะ ดังนั้นธรรมะจะเข้าถึงจิตถึงใจได้เนี่ยฟังเอาไม่ได้ต้องไปเห็นของจริงหนูก็เลยตั้งใจว่าก็ให้มันทำค่ะแล้วดูว่ามันทำได้ไหมเออนะดูไปจะได้รู้สึกอืมกูจะดูมึง <laughs> เสร็จแล้วก็เกิดกูอีกแหละอ <laughs> ้าว เ, เชิญมึงทำงานไปทีนี้กูจะดูมึงลูกเดียวแล้วคือเหนื่อยมากเอ๊จะทำอะไรก็ไม่มีอะไรถ้าวันไหนเหนื่อยมากนะไหว้พสวดมนต์ทาความสงบค่ะนะ สมัทฐาเป็นท all ี่พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วมีเรี่ยวมีแรงสบายใจแล้วมาตามดูต่อก็เพิ่งทราบว่าตัวเองเดินจงกรมไม่เป็นเจ้าค่ะที่มีเวลาไปเดินตอนเช้าในสวนสาธารณะนะเจ้าค่ะจนพี่ตุลมาสอนเดินเจ้าค่ะว่าเดินยังไง เดินไปด้วยกันแล้วก็ชี้ให้ดูเลยว่าขามันต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้เบาตรงนี้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดินไม่เป็นจริงๆเดินแล้วไหลก็ไปเกาะนู่นเกาะนี่แต่พอเราเดินแล้วรู้สึกว่าถ้าเวลาเดินเป็นแล้วเนี่ยมันเบาๆแล้วมันก็รู้รู้เฉยเฉยแล้วเดี๋ยวมันก็หลุบเข้าไปเกาะแล้วมันก็ถอยออกเออต้องอย่างนั้นไม่ใช่เบาๆตลอดนะใช่ถ้าเบาๆตลอดก็เดินไม่เป็นอีกนั่นแหละเจ้าค่ะเดินดูกายมันเดินเดินดูจิตใจมันทํางานเจ้าค่ะ เดินจงกรมนะมันทําได้หลายแบบนะเดินเลื่อยเปื่อยก็ได้เดินแล้วใจลอยหนีไปเลยเดินทําสมถาก็ได้เพ่งร่างกายไว้ให้มันอยู่ในกายไม่ให้หนีไปไหนเลยนะเดินทํำวิปัสสนาดูกายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเบาๆสบายนะทํำวิปัสสนาดูจิตก็ได้เห็นจิตมันไหลไปไหลมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเจ้าค่ะตอนนี้เกือบก็รู้ว่าตังกดไว้แล้วก็ข่มเอาไว้เจ้าค่ะแล้วสังเกตไหม ขมไว้นอดนะแต่ตัวที่ขมอยู่นี่อยู่บนบนข้างบนเนี่ยจะเป็นอีกอีกแบบนึงแต่ข้างบนนี่แหละแกล้งทําขึ้นมาแต่ข้างล่างนี่คือของจริงเองั้นไอ้ข้างบนเนี่ยไปเชื่อถือมันเพราะว่าไอ้ความรักดีอะไปสร้างไอ้ตัวบนนี้ขึ้นมาโยนมันทิ้งไปใจถึงถึงคนอื่นไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะไปดูข้างบนข้างล่างยุ่งตายเลยนี่เวลาเรียนพร้อมๆกันแล้วมันยุ่ง อ้าวเกง่งวันนี้รู้สึกอึดอัดเหมือนกันครับนั่งใกล้คุณจูมัง้งไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้สึกอึดอัดเหมือนกัน <c oughs> แต่ปกติไม่ค่อยได้เป็นอย่างเนี้ยครับออก็ดูเหมือนไปวันนี้คนเยอะครับบางคนภาวนาแล้วจิตมันเร็วจิตมันไวนะถ้าไปนั่งตรง ม, มุมเจอเอนักเพ่งบางคนนะไม่ใช่คุณจูนะ เือเขาเพลงผ่านมาหาเราแล้วมีเรื่องถามหลวงพ่อหน่อยครับก็คือว่าตอนนี้ครับรู้ว่าว่ามีตัวเราอยู่ครับแต่หาตัวเราไม่ค่อยจะเจอแล้วก็เลยแบบหายงงมากเลยครับอย่าไปหามัน <c oughs> นะ <c oughs> ให้รู้กายให้รู้ใจไม่ใช่ให้หาตัวเรา <c oughs> ดูลงไปกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตัวเรามันมีอยู่แต่ว่าไม่มีตัวตนอะไรมันคือความคิดเพราะงั้นไปจับไปต้องมันไม่ได้ไม่มีสภาวะธรรองรับ แม้แเราหายัางไงหายยังไงก็หาไม่เจอจับลงไปตรงไหนนึกว่าอยู่ตรงนี้จับลงไปปุ๊บหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีสภาวะทำรองรับอัตตาตัวตนไม่มีสภาวะรองรับพอดูลงไปก็หายไปเลยแต่ว่าเหมือนมีอยู่แต่ไม่มีมีอยู่เพราะจิตตนหลอกความคิดมันหลอกอาศัยสัญญาที่วิปปลาดเเรียกสัญญาวิปปลาดคนไทยมาแปลว่าบ้านะ หมายถึงว่ามันไปหมายรู้แบบผิดๆที่สะสมมาจนเคยชินมันสะสมความเคยชินว่ามีเรามีเราะเสร็จแล้วมันก็หมายขึ้นมาว่าเรามีอยู่แต่พอหาเข้าจริงๆหาไม่เจอจริงๆไม่มีค่อยดูไปอ้าควคุณจุ <c oughs> ๊จุ๊รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าแต่ยังไม่จุ๊จุ๊ดิบาบบมนๆนะ <c oughs> มนๆแต่ไม่กลมทีเดียวไม่เหลี่ยม อ่าจ้าจ้าว่าไงก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอีกแล้ ว, ว่เจ้าค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าไปข่มหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองดูมันเฉยๆอยู่เจ้าค่ะสติรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นนะด้วยใจที่เป็นกลางเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นแต่ถ้าใจเกิดไม่เป็นกลางยินดีขึ้นร้ายขึ้นมาให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วความยินดียินร้ายเขาดับของเขาเองใจก็เป็นกลางรู้ทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งก็จะสอนธรรมะเราเองนะ เมื่อกี้ตอนหลวงพ่อพูดถึงน้องแปมมาเจ้าค่ะยมก็เห็นมันตัวอิจฉาห ร, หรือตัวอะไรมน้นพุ่งไปขอ้นมาแล <ชา S 1> ้<ช>าก <ชา S 2> ็แบบแล้วก็ค <laughs> ือตอนนี้จะสังเกตเห็นตัวนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าบางทีคนที่เรารักแท้ๆเจ้าค่ะเราก็จะเห็นนะครั้ ง, งนี้น้องก็น้องรักก็พอเห็นแล้วมันจะมีเมื่อกี้มันจะเศร้าจเจ้าค่ะมันจะเศร้าอีดีที่เราเห็นนะถ้าไม่เห็นเราก็ถูกมันหลอกไปเรื่อยๆดีแล้ว ส่งไปข้างหลังหญิงวันนี้แถวแปลกนะมันแยกกันตรงกลางเห็นว่ามันมีความอยากจะเข้าไปดูค่ะหลวงพ่อมันเข้าไปเหมือนพอมันเห็นแล้วว่ามีสภาวะอะไรแล้วมันจะเข้าไปเหมือนเข้าไปยุ่งกับมันนะให้เรารู้ทันนะว่ามันจะเข้าไปยุ่งก็คือสภาวะอันหนึ่งนั่นแหละไม่ใช่ไปห้ามยุ่งใจเราจะไม่อยากให้มันยุ่งรู้ว่าไม่อยากนี่ไม่เป็นกลางล ดูอย่างนี้นะใช้ได้แล้วหญิงภาวนาดีขึ้นแล้วอา้าวโยมก็โยมก็ปฏิบัติตามรูปแบบแคะ่ะแล้วก็รู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเห็นความคิดจุ่ต่อเวลาแม้กระทั่งเวลาสวดมนต์ก็มันออมันมากมายขนาดใช่ใช่มันสวดสองคำนะมันก็หนีไปคิด<อ>ทีหนึ่ง<อ>ใช่ไหมคนอื่นก็เป็นด้วยอะคะเป็นทั้งโลกเลย <laughs> ถ้าภาวนาเป็นนะ ถ้าภาวนาไม่เป็นก็นึกฉันไม่เผลอเลยส่วนมนต์ไปตั้งเป็นชั่วโมงก็ไม่เผลอเลยนั่นดูไม่เป็นเนี่ยตอนนี้จิตก็หนีไปแล้วหนีไปคิดแล้วคะ่ะใช่ใช่ค่ะส่งข้างหลังหน่อยข้างหลังครับช่วงนี้ก็ฟุ้งค่อนข้างเยอะอะครับแล้วก็มีโมหะด้วยทําให้สติมันช้าลงอครับผม่าถูกต้องแล้วนะอย่าไปเกลียดมันนะ รู้ไปจีรัตน์มังนามีมีก็ยังมีเพ่งอยู่ครับผมจีรัตน์นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ไปรู้แล้วจิตเกิดปฏิกิริยายินดียร้ายขึ้มารู้ทันอุนะบาอาจารย์ถึงชอบสอนรู้แล้วจบลงที่รู้อะไรเงี้ยรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อถึงรู้อย่างที่เขาเป็นนะด้วยใจที่มันเป็นกลาง พอรู้ด้วยใจที่เป็นกลางปุ๊บจะเห็นเลยทุกอย่างไม่มีตัวเราถ้ารู้โดยไม่เป็นกลางก็จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปทำงานจะไม่เกิดปัญญา <Yeah. S 1> จับหลักตรงนี้แม่นๆ น, นะเราเดินได้แนละ้วสบายรับรื่นตลอดสายของการปฏิบัติเลย <Yeah. S 1> ดีละจิรัต ด, ดีขึ้นทั้งบ้านเลยนะบ้านนี้ดีขึ้นสกาจกจะขอเรียนถามถ้า คนอายุ80แล้วยังไม่เคยปฏิบัติทำเลยเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีคะธรรมะจริงๆเยอะนะเขาเขาเคยทําบุญอะไรบ้างไหมพ่อเองอะค่ะไม่ค่อยเลยหรออ้าวจะทําอะไรล่ะจะเริ่มไม่จะจะเริ่มยังไงดีที่จะให้เขาเริ่มรวมจิตรวมใจไปเขาสนใจไหมก็คงจะเริ่มสนใจแล้วล่ะค่ะเหรอถอนใจแทนก็ทําเท่าที่ทําได้นะ พยายามอย่าไปขัดใจคนแก่ใครดูแลให้เขาสบายใจไว้เมือเขาสบายใจแล้วเราก็ทําความดีอะไรเราก็ไปบอกให้เขานุโมทนาไว้นะชวนทําบุญชวนอะไรงั้นไปนะถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี้ยให้เขาเห็นแล้วก็มีความสุขให้เขาเห็นค่อยๆฝึกไปให้ใจเขาคุ้นกับอารมณ์ที่เป็นกุศล พาใจคุ้นกับอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วเขาจะได้ไม่ต่อต้านถ้าใจเขาต่อต้านนอกจากไม่ได้บุญนะไปเชี่ยวเข็นเขาเขาจะได้บาปด้วยอไปถึงไหนแล้วเชิญอ้าวโบคือบางทีตอนที่ขาดสติอะค่ะก็เหมือนหลุดโลกไปเลยค่ะหลวงพ่อเอามหม่หลวงพ่อไม่ได้ยินคือบางทีตอนที่ คือบางช่วงนะคะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีสติะคะ่ะพอขาดสติไปแล้วมันเหมือนหลุดโลกไปเลยอะคะ่ะเหมือนกับก็ถูกแล้วนะพอขาดสติมันลืมกายลืมใจหลวงพ่อบอกแล้วกายกับใจคือโลกก็หลุดไปจากโลกถูกแล้วแล้วไงก็คือไม่อยากจะเป็นแบบนี้บ่อยๆอะคะ่ะและ้วอยากหรือไม่อยากมันก็จะเป็นมันเลือกไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตามที่อยากนะมันเป็นไปตามความเคยชินของมัน พัฒนาหรือว่าทําอะไรให้มันแบบดีกว่านี้บ้างไหมคะให้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันแล้วไม่มีทางอะไรที่ยิ่งกว่านี้แล้วไ ม, ไม่ต้องรีบร้อนนะขณะที่เรารู้กายขณะที่เรารู้ใจจิตใจก็มีความสุขอยู่แล้วเรียกว่ามีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยรู้ไปเรื่อยๆส่วนมันจะเข้าถึงมรรคผล น, นิพพานเมื่อไหร่ถือว่าเป็นโบนัสก็แล้วกัน ความสุขของเราที่ได้รับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเห็นเห็นอยู่แล้วก็ช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าระหว่างวันเนี่ยบางทีพอมันเฉยเฉมันจะเริ่มแช่แล้วเหมือนใจมันจะเหม่อไปข้างนอกไปบ่อยแล้วก็จะพยายามห้ามดึงกลับเข้ามามันทําให้ไหวกายมันเนื่องอยู่กับเอ่อถ้ามันเหนื่อยเกินมันทําไม่ได้เหนื่อยเกินนะเราองมารู้อารมณ์ที่หยาบหยาบขึ้นไปดูจิตดูใจแล้วเคริ้มเคลิมง่าย เราก็ลุกขึ้นมาเดินหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันโทมมากเหนื่อยมากก็ไม่ไหวอยู่ดีต้องพักนะฝืนมันเกินไปก็ไม่ได้ตามใจมันมากไปก็ไม่ได้ครับอยากจะเรียนถามว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าตอนนี้เราบังคับหรือตั้งใจทับปฏิบัติหรือเปล่ารครับถ้าบังคับหรือตั้งใจมากไปนะใจเราจะแน่น แข็งแข็งอย่างตอนนี้มากไปมากไปไม่โปร่งไม่โลง่งไม่เบาไม่สบายรู้สึกไหมแข็งแข็งเครียดเครียดคือบางครั้งอย่างเช่นเราเราจะจงใจหลับตาหรือจงใจจะนั่งสมาธิอะไรงเงี้ยถือว่าเป็นการบังคับตัวเองมากไปไหมครับก็ <c oughs> ถึงเวลาทำเราก็ทำนะแต่เวลาเราจะทำสมาธิเราทำใจสบายแล้วก็ค่อยรู้ไปเลย <c oughs> ถ้ามันขี้เกียจก็บังคับมันขึ้นมาทา แต่ตอนที่ลงมือทำเนี่ยทําใจสบายแล้วดูไปเรื่อยๆหลวงพ่อลืมดูนาฬิกาไม่มีใครประท้วงเลยแล้วอย่างเวลาสมมติว่าเราเดินจงกรมแล้วเราจงใจจะเดินให้มันช้าแล้วเราเพื่ออะไรละ่ะเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้มันไม่ไม่บางครั้งมันรีบร้อนจนเกินไปเราก็เดินให้มันช้าเราดเดินดูใจของเราไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้เดินช้าเดินเร็วหรอกมันอยู่ที่ใจเรา ครับดูใจของเราถ้าดูขนาดนี้แล้วดูได้พอดีพอดีนะได้แค่นี้นะ้าโยมเดี๋ยวเหลือพระเอยอะเลยไปเชิญโยมกลับบ้านาวันนี้วันวิสาขานะอย่าทำชั่วนะทำดีๆไว้นะแล้วก็มีความสุข